เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับตัวผมและครอบครัวของผมเองมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ2ี่ปีมาแล้วเมื่อครั้งที่ผมยังเป็นวัยรุ่นช่วงนั้นผมได้มาเรียนอยู่ในกรุงเทพแต่ก็ได้กลับบ้านทุกเดือนเพราะไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนักปลายเดือนพฤศจิกายนปีนั้นผมกลับบ้านเพื่อที่จะไปเที่ยวงานลอยกระทงซึ่งตรงกับช่วงปลายเดือนพอดีคืนนั้น ผมได้ชวนหลานไปเที่ยวงานวัดใกล้ๆบ้านอยู่ๆน้องชายของผมก็ขอตามไปด้วยทั้งๆ ท, ที่ปกติผมกับน้องจะไม่ค่อยสนิทกันไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันเลยเมื่อไปถึงที่งานน้องผมก็จัดแจงเลือกกระทงมาให้ผมดูแลเอาใจใส่อย่างดีซึ่งมันผิดกับนิสัยปกติของเขามากมันเหมือนเป็นลางสังหรนบางอย่างเหมือนกับว่า มันเป็นการสั่งลากับผมเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เที่ยวด้วยกันตามประษาพี่น้องหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางกลับมายังกรุงเทพไม่นานนักวันที่30ิพฤศจิกายนก็ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทำให้ผมสูญเสียน้องชายของผมไปตลอดการทางบ้านไม่สามารถติดต่อผมได้เลยเพราะในสมัยนั้นคนที่มีโทรศัพท์มือถือนั้นยังมีน้อยมาก และก็ราคาแพงมากอีกด้วยแถมเป็นช่วงเดียวกันกันกนกบที่ผมเพิ่งจะย้ายหอพักไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ในคืนถัดมาหนึ่งธันวาคมก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับผมขณะที่ผมกำลังนอนหลับอยู่ในหอพักนั้นผมก็สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อดูนาฬิกาแล้วก็เป็นเวลาประมาณตีสามได้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ซ้าอีกเวลาเดียวกันในคืนถัดมามันรู้สึกเหมือนกับว่า ผมอยู่ในการตกใจกลัวอะไรสักอย่างในฝันแต่ก็จำไม่ได้ทุกครั้งที่ผมสะดุ้งตื่นจะตกใจสุดตัวเด้งจากท่านอนขึ้นมานั่งบนเตียงเลยทุกครั้งมันทำให้ผมถึงกับนอนไม่หลับต้องเดินไปยืนตรงระเบียงจ้องมองออกไปแล้วคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมเสี้ยววินาทีหนึ่งจูๆ่ๆก็มีภาพเหมือนคนผูกคอตายแวบขึ้นมาในหัวภาพที่ผมเห็นนั้น เป็นภาพของคนที่ผมรู้สึกคุนตามากมันยิ่งทำให้ผมร้อนใจเป็นอย่างมากแต่ก็คิดในแง่ดีว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกผมกลับไปนอนคืนถัดมาสามธันวาคมเวลาประมาณหนึ่งทุ่มได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับผมอีกขณะที่ผมนั่งเล่นอยู่หน้ากระจกก็ได้เปิดลิ้นชักหรือของออกมาแล้วก็ไปเจอเบอร์โทรศัพท์รุ่นน้องที่ขึ้นมาเรียนกรุงเทพ ซึ่งบ้านก็อยู่ไม่ห่างกันมากกับบ้านของผมมันเหมือนมีอะไรดนใจให้ผมโทรหาเขาทั้งๆ ท, ที่ผมไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับน้องคนนี้เลยแม้แต่น้อยผมลุกเดินออกจากห้องลงตึกเพื่อไปโทรศัพท์ที่หน้าตึกเมื่อโทรไปก็มีคนรับสายแต่เป็นเสียงผู้หญิงซึ่งเป็นพี่สาวของน้องเขาแล้วเธอก็ถามผมว่านั่นอาร์ตใช่ไหมผมตอบกลับไปว่าใช่ เธอก็บอกว่าให้ผมรีบกลับบ้านด่วนน้องชายของผมเสียแล้วผมอึง้งเงียบไปพักใหญ่และช็อกเอามากๆเมื่อคุยเสร็จแล้ววางหูไปผมก็กลับขึ้นมาบนห้องแล้วนอนร้องไห้ยอยู่คนเดียวในห้องผมร้องไห้อยู่นานมากจนหลับเม่ลงอยากจะให้ถึงเช้าวไวๆจะได้รีบนั่งรถกลับบ้านซึ่งผมได้มารู้ทีหลังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้ น, น้องชายของผมที่เสียไปได้มาตามให้ไปเผาเขาในวันสุดท้ายนั่นเองเพราะทางบ้านผมร้อนใจมากที่ไม่สามารถติดต่อผมได้เลยก็เลยจุดธูป บ, บอกน้องผมว่าพี่น้องกันก็ตามกันเองนะแม่หมดปัญญาแล้วเมื่อผมเดินทางกลับไปถึงบ้านทุกคนในงานต่างพากันตกใจและแปลกใจว่าผมรู้ได้อย่างไรมาทันวันเผาศพได้อย่างไรทั้งทั้งที่ทุกคนหมดปัญญา ที่จะติดต่อหาผมแล้วโทรถามทุกคนที่รู้จักผมแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนเมื่อมาถึงที่งานผมกับแม่และพี่สาวก็ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ได้บอกว่าตอนที่ผมกลับไปกรุงเทพได้เพียงวันเดียวน้องก็มีปากเสียงทะเลาะและมีปัญหากับแฟนทําให้คิดสั้นผูคอตายแม่เล่าให้ฟังอีกว่า น้องผูกคอในห้องนอนของตัวเองโดยใช้สายพัดลมติดผนังมาผูกแต่ไม่ตายเพราะเชือกลุดร่างตกลงมากระแทกพื้นเสียงดังจนแม่ได้ยินเสียงก็มาดูเห็นน้องกำลังคลานอยู่ที่พื้นหน้าตาแดงก่าแม่ตกใจมากจึงรีบเปาไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนพอเช้าก็กลับมาบ้านแล้วในคืนนั้นซึ่งเป็นเวลาประมาณตีสาม น้องก็ออกจากบ้านเพื่อไปที่ท่าน้ำริมแม่น้ำแล้วก็จัดการผูคอตายอีกครั้งแต่ครั้งนี้น้องทำสำเร็จพอตอนเช้ามีคนผ่านไปพบเข้าจึงรีบไปบอกที่บ้านทำให้แม่ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากแต่เรื่องราวนี้มันแปลกเหมือนกับว่ามีอาทันอะไรบางอย่างพี่สาวของผมได้เล่าให้ฟังในคืนวันเกิดเหตุได้ฝันว่า มีผู้หญิงใส่ชุดดำมาเรียกน้องผมที่หน้าบ้านแล้วเดินจูงมือน้องผมไปยังท่าน้าจัดการหาเชือกให้แล้วชี้จุดให้ผูกคอตรงจุดเดียวกับที่น้องชายผมได้ผูกคอตายซึ่งบริเวณนี้ผมได้ไปดูที่เกิดเหตุแล้วในตอนกลางคืนจะเป็นท่าน้ำที่มืดมากไม่มีแสงไฟใดๆและมองไม่เห็นอะไรเลยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนคนหนึ่งจะเดินมาภู้คอตรงจุดนี้ได้แถมเชือกเส้นนั้นก็เป็นเชือกที่จมโครนอยู่แถวแถวบริเวณท่าน้านั้นอีกด้วยน้องผมหาเชือกเส้นนั้นเจอได้ยังไงในเมื่อมันมืดขนาดนั้นทำให้ผมค่อนข้างเชื่อมากเลยว่าความฝันของพี่สาวผมนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงหลวงปู่ที่อยู่กุฏิ ป, ป่าช้าในวัดแถวบ้านก็บอกได้ว่า คนที่จงใจตั้งใจจะผูกคอตายเหล่านั้นให้ดูแลเขาให้ดีๆเพราะถ้าครั้งแรกผูกแล้วไม่ตายรอดมาได้ก็มักจะมีผีไม่ดีมาชักจูงให้ทำจนสําเร็จจนได้หลวงปู่เคยเจอคนที่กำลังผูกคอตายแล้วเห็นมีผีสองตนยืนอยู่บนบ่าของเขากำลังช่วยกันจัดแจงจับเชือกอยู่เมื่อผมได้ฟังก็นึกตามไปถึงข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ มันคงจะจริงอย่างท่านว่าเพราะบางทีตามข่าวบางคนแค่นั่งผูกคอกับลูกบิดประตูหรือหน้าต่างทั้งๆ ท, ที่ถ้าทนไม่ไหวก็สามารถจะลุกยืนขึ้นมาได้หรือเป็นพ่อมีผีร้ายช่วยผูกและชักจูงให้ทำได้สำเร็จคนที่ชอบทำอะไรพี่เลนเล่นมีดหรือเอาเชือกมาผูกคอตัวเองก็เหมือนกันระวังให้ดีเดี๋ยวจะเป็นดังคำโบราณที่เขาว่า เล่นมีดระวังผีพลักหลวงปู่ยังบอกอีกว่าใครที่รอดมาได้แล้วครั้งหนึ่งให้รีบพามาหาพระเพื่อทาพิธีให้แล้วคนที่บ้านก็เล่าให้ฟังอีกว่าน้องผมนั้นเฮี้ยนมากตั้งแต่คืนแรกซึ่งบ้านป้าของผมจะอยู่ติดประตูวัดพอดีแล้วก็มีศาลานั่งเล่นอยู่ข้างๆคืนนั้นป้าผมได้ยินเสียงของคนร้องไห้อยู่ที่ศาลาข้างวัด ซึ่งก็จําได้ว่ามันเป็นเสียงร้องของน้องชายผมส่วนญาติอีกคนก็เจอเหมือนกันขณะที่ออกไปซื้อของในช่วงกลางดึกก็ต้องผ่น า, านศาลานี้แกบอกว่าแกเห็นน้องชายผมนั่งกอดเข่าอยู่ที่ศาลาและใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเหมือนกับในคืนที่น้องตายจึงได้พากันไปถามพระแล้วก็ได้ความว่าตอนเชิญวิญญาณน้องไปที่วัดนั้นตรงศาลา จะมีคูน้ำพากลางถนนแล้วตอนที่พระไปเชิญวิญญาณ น, น้องก็ไม่ได้บอกให้ข้ามคูน้ำนั้นดวงวิญญาณก็เลยไปที่วัดไม่ได้นั่งอยู่ที่ศาลาพระท่านจึงได้ไปทำการเชิญดวงวิญญาณไปที่วัดใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในงานศพตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกชายน้องซึ่งมีอายุร า, ราวๆสองขวบแล้วเด็กดัน เอาแต่ร้องไห้แล้วชี้นิ้วไปยังลงศพของน้องที่ตั้งอยู่พยายามจะคลานไปหาทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันโศกเศร้าเป็นอย่างมากแล้วก็พูดกันว่าเด็กมันคงจะเห็นพ่อของมันหลังจากเสร็จงานเผาศพในคืนนั้นผมก็กลับไปนอนที่บ้านขณะที่กำลังหลับอยู่ก็เกิดอาการเหมือนผีอำ่ำแล้วผมก็ได้เห็นน้องชายของผมในชุดนักศึกษา ซึ่งเป็นชุดเดียว ก, กันกับที่น้องใส่อยู่ในโลงศพแต่มองไม่เห็นหน้าเป็นหน้าเรียบๆที่ไม่มีหูตาจมูกหรือปากแล้วมีใครสักคนยืนประกบอยู่แต่มองเห็นรูปร่างไม่ชัดเจนนักสักพักผมก็หลุดจากาการโดนอัมจึงลุกขึ้นสวดมนต์ในใจคิดว่าเขาคงจะมาลาผมครั้งสุดท้ายแต่ทุกวันนี้ ผมก็ยังฝันเห็นถึงน้องชายคนนี้อยู่เรื่อยๆคงเป็นเพราะผลกรรมของเขาที่ได้ฆ่าตัวตายก็ต้องเป็นผีเร่ร่อนอยู่อย่างนั้นไม่สามารถจะไปเกิดใหม่ได้จนกว่าจะสิ้นอายุไขของตัวเอง สมผัทสิย